ผมมาจาโรกาทิปิสามติัอี ย, ย, ย, าอยาโัญญจัะนิทสตาัารกาเทเสตุทำมังนุกรรมปิมังป จ, งจังนะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสั ม, สมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสั ม, สมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตรหโตสัมมา สัมภูตาสาพผุทธังธัรมังสางขังสารนังกัจจามิติเินสุขพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานลูกท่านทุกคนจิต <c oughs> จกรรม ที่เกิดจากกุศลและเจตนาของพวกเราทุกท่านวันนี้คือพวกเราทำหน้าที่ของพวกเราเป็นชาวพุทธชาวพุ ท, มมท ธ, ทธถึงการถึงเวลารวมกันมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเรารวมนัดกันมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นหลองปู่มาให้แนวข้อคิดในการปฏิบัติด้วยความเมตตาด้วยความสงสารด้วยความโภมใจด้วยว่า กิจกรรมของพวกเราหน่าอนุโมทนานสาธุพี่น้องญาโยมพี่น้องลูกหลานทําไมกิจกรรมของพวกเราหลวงปู่จึง ม, มาอนุโมทนานสาธุกับพวกเราพราะพวกเรา ถ้าเผือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำสอนสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอนาคตค้าหน้าของพวกเรานะ่นะมันจะเป็นการทำลายชีวิตในอนาคตทำไม่ ขพราะพวกเราทุกท่านทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่ที่นี่หรือมา่นั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ใจของพวกเรานะันยังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนมีอะไรเป็นเครื่องแสดงที่ว่าเป็นสามัญชนเป็นปุถุชน พระพุทธเจ้าต ร, รัสทารุรู้แล้วเรืเ่อนว่าจิตใจของมวลหมู่มนุษย์ทั่วโลกนั่นน่ะทั้งหญิงทั้งชายจิตใจยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีจิเลสมีตัณหาอยู่ภายในจิตใจ ชื่อแต่และอย่างชื่อแต่และชื่อถ้าตั้งใจดีๆตั้งใจฟังดีๆเหมือนพวกเราตั้งใจฟังเดี๋ยวนี้ชื่อแต่และชื่อมักกันหน้ากลัวอยู่แล้วกิเลศความหลงกิเลศความหลงกิเรศความหลง ชื่อแต่และชื่อมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะ่ะะมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นทีมันอยู่ที่ดวงใจไม่ไปเฉพาะที่เดลโลกโกรลงตอนนั้นนะที่มันมีอยู่ในดวงใจตัณหาความอยากความต้องการ แต่นั้นวความอยากความต้องการตรงนี้พระพุทธเจ้าจึง ม, มองค่าอยากต้องการในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอนาคต มันก็นจะส่งบังสมความปรารถนาเกิดจากการกระทําที่มีความอยากเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุถ้าเผื่อเราเมื่อได้ยิน ไ, ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําตามความอยากความต้องการเนี่ยเพราะความอยากความต้องการมันมีอยู่สองในอยากมันมีสอระดับ หรือมันมีอยู่สประเภทประเภทหนึ่งความอยากความต้องการในทางที่ดีทางที่ถูกอันนี้ความอยากประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถูกความอยากความต้องการประเภทหนึ่งเป็นเมตฉาทิฏฐิ ความอยากระเภทนี้มันเป็นแรงดึขอ ง, องของกิเลสแรงดึงของปัญหาฝ่ายต่าฝ่ายชั่วถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเลือกไม่ได้ไว่าเอความอยากความ้องการเนี่ยมันเป็นทางที่ดีที่ถูกหรือมันเป็นทางที่ผิดพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกท่านทุกคนเชื่อเถอะ ประโยชน์สุขที่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติเดี๋ยวนี้พวกเราเห็นความสุขในความเป็นมนุษย์ทุกทกคนไม่อยากจะไม่อยากจะหนีไม่อยากจ ะ, าก จ, ะจากความสุขที่พวกเรามีอยู่ในความเป็นมน ดังนั้นขึ้นใช้วิรชื่อว่าความสุขในจิตใจต้องการแจะเกิดจิตใจชอบจะเกิดขึ้นชื่อว่าคามสุขสูงสุดแลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าความสุขมันไม่มีแต่เฉพาะมนุษย์ดีนะด้วยความเป็นผู้มีหูทิพตาทิพ พระพุทธเจ้ามองแบบกฎธรรมชาติสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่จะมีความสุขความสุขเกิดขึ้นจากการสัมผัสในรูปในเสียงในเ่นในรสเกิดเป็นธรมมารมในทางที่ดีให้ใจมีความสุขให้ใจมีความสบายฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่า ความยินดีในรูปในเสียงในจิตในรสสัมผัสให้เกิดความสุขจากการสัมผัสเนี่ยสวรรค์สมบัติความสุขของเ ท, ทวดาเหมือนมนุษย์คนเราความยินดีในรูปในเสียงในจิตในรสเหมือนมนุษย์คนเราแต่มันจะเลิศเผยคเสิร์ตอั๋ว ลักษณะไหนรูปสวยงามเสี ย, นนสยงไพเราะเป็นไม่มีที่ต้องจีบความสัมผัสรูปเสียงจิตรสเนี่ยก็ฟังแต่วัาเป็นเทพของเป็นทิศทฉะนั้นราพุทธเจ้าจึงย้ำเตือนสอนว่า ให้พากัรยกฐานะจิตใจด้วยพลังของศีลของธรรมด้วยพลังของคุณธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมตัติเครื่องระเลือกรู้ว่าเทพบทเทวดามีจริงปัญญาธรรมรู้จักเลือกเฟนศรัทธาธรรมเชื่อมั่นตามคาสอนของพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอความสุขเฉพาะที่เป็นเทวดาเทวดานะถ้าบุญวาสนาบาลมีเคยได้สร้างสมอบรมมาแต่ละคนแต่ละคนทั้งหญิงทั้งชายนั่นนนะเป็นไปได้ดั้งนั้นความสุขระเพนนั้นคือเข้าสู่มรรคผลนิพพานนิพพานังปรมันสุขังสุเกินยิ่งกว่มามรรคผลนิพพานไม่มีแล้วดิสังโลกนี่ พี่นองยาโยมพี่นองโรกระดบเป็นไปได้อย่างไรทนี้ดูที่เป็นดูที่ไปดูที่เกิด อ, อันนั้นหมายถึงจิีตใจพวกเราทุกท่านทุกคนกำลังนั่งฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ คำว่าฟังธรรมก็คือฟังเทศนั่นแ่ะฟังเทศก็คือฟังธรรมนั่นแหะอันเดียวกันที่มีจิตใจนั่งอยู่เดี๋ยวเนี้ยใจดวงนี้เป็นนามธรรมไม่เป็นโลกไม่เป็นรางมองไม่เห็นเป็นโลกเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเหมือนด้านโลกร่างมนุษย์คนเราเหมือนวัตถุสิ่งของ มองไม่เห็นลักษณะนั้นแต่มันมองรู้ด้วยวิสาใจใจคือาการรู้มันรู้ตัวรู้ตัวได้ดีลักษณะนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสติธรรมฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฟังธรรมเพื่อจะได้ไปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเพื่อเข้าใจในธรรมแล้วจะได้เอาธรรมมาเป็นข้อปฏิบัติกวาหมายอะเอาธรรมมาเป็นข้อปฏิบัติยังไงอย่างพระพุทธเจ้าว่าสติธรรมศรัทธาธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแต่และข้อตแต่และอย่างแต่ละอย่างเนี่ยปัญญาธรรมรู้จักเลือกแฟน ว่าอะไรมันกิดอะไรมันถูกเมื่อได้ศึกษาแล้วได้ยินได้ฟังแล้วให้รู้จักเรื่องถ้าไม่ได้ฟังอำนาจโมหควางหลงอำนาจของตัณหาที่มันมีในใจนั่นนหละมันจะทำตามกิเลสตัณหา เมื่อทำตามกิเลสจาระเอาะไรทำเอาความเป็นสมบัติของพวกเราเนี่ยไปทำทกิเลสจาที่มีในใจน่ะมันเข้าใจผิดว่าทำไปแล้ ว, ม, ม, นนนนลลวมันไม่ได้เกินเ่ถึงผลการกระทํามในทางเทียมผิดว่าเป็นบาปมันไม่ได้เิีดไม่ได้นึกหนี้แรงเล็ดของโมหะความหลมที่มีใน ใ, นใจน้ากัว พี่น้องญาติโยมพี่น้องรูปหลายใจคือความรู้ฟังให้มันรู้ให้เกิดปัญญาเลือกเฟนใจคือคงดโน่นั่งอยู่ในมันรู้อยู่ความรู้นี่รู้ตัวรัตนานี่รู้ตัวได้เพราะอะไรเพราะความเป็นธรรมคือสติธรรม สติเพื่อจะเลื่อนได้เรื่อนดูฉะนั้นการกระทำถ้าเผื่อมีสติธทำกระทำทางกายมันผิดโพธิทางวายจามันผิดความเลือกเคิดทางจิตใจมันผิดนี่คนที่ทำคือสติทำ น, นะถ้ะเลื่อนขึ้นมาได้ การทำมันผิดพูดมันผิดคิดมันผิดมีอะไรเป็นเครื่องวัดทีนี่นั่นคือหลักศีนธรรมมาเป็นเครื่องวัดโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธเขาเคยศีลห้านั่นเองเป็นเครื่องวัดความผิดความถูกจากการกระทำจากคำพูดจากความนึกความคิด การกระทาถ้าไม่อยู่ในขอบเขตของสิลห้าที่พระพุทธเจ้าห้ามพวกเราอย่าไปทำความจริงแล้วสินห้าสิงห้าเป็นสิ่งที่งดเวนเป็นสิ่งที่ดีเลี่ยง น, นะคำว่าสิ่ห้าขอา้อตัวอย่างแต่ะอย่างนะั้น เ, เวและมณีเวและมณีที่พวกเราสมาทานไปนั่นนะ เป็นสิ่งที่งดเว้นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนะอย่าไปทำความหมายนะ่นภาษาเรานะถ้าไม่เข้าใจถ้าเปล่ไม่ฟังจังธรรมะปฏิบัติจะไม่เข้าใจว่าสินงธรรมอยู่ที่วัดนู่นพวกเราไม่จำเป็นที่จะเข้าวัดนำสินนําธรรมมาปฏิบัติ ไม่จําเป็นใครอยากจะเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ไปบวชถ้าไม่บวชไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมศีลธรรมอยู่กับวัดศีลธรรมอยู่กับพระศีลธรรมอยู่กับตู้พระไตรปดฎกจะไปเข้าใจไปจะจะเข้าใจไปลักษณะนั้นนะจริงเก่งแล้วศีลธรรมนั้งภาคปฏิบัติ มันเกิดขึ้นจากการกระทําของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะตัวของแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเป็นตัวศีลตัวธรรมตัวศีลหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่ฟันสอนประชาญชนประชาชนญาติโยมสอนแบบภาษาง่ายๆนี่พี่น้องญาติโยมลดหย่อนตัวศีลห้าหรือยัง เคยไปวัดไปวาเคยได้สมถานสินห้าจากพระรู้จักตัวสินห้าหรือยังน้องปู่ฟันถานะ่างหรือบาครังอะ่ะถ้าไม่รู้จักเอาตั้งใจฟังตั้งใจฟัตงฟตัวสินห้าจะไปดูไปรู้ที่อื่นไปเห็นที่อื่นนะคือตัวของพวกเราทุกคนเนะื่องนี้ตัวสินห้านับยังไงตัวสินห้าขาสอง แขนสองรวมกันเป็นสี่แล้วศี่ะอันหนึ่งรวมเป็นห้าอย่าเอาตัวสินห้าเนี่ยไปทำโทษห้ากันว่าโทษห้าคืออะไรปานาการฆ่าก็าเป็นโทษอาชินาการนักเก็งวิ่งดาวพ้นตรลมโชมที่เป็นโทษกามเม การเพิดยาเทพประเพณีสามีภรรยาบุตริดาขนมตามเนียมประเพณีไปรวมเมื่อไปเพิดนันก็เป็นโทษมูสารการโกหกการหลอกลวงมั่นก็เป็นโทษสุราไปดื่มน้ำเมาดื่มกัญชายาฝิ่นไปดื่มมั่นก็เป็นโทษแม่พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน ขามกลางาของสังคมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามที่เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะหน้าที่พวกเราชาวพุทธมีความสนใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนพากันเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหน เกี่วกปัญญาปัญญาปัญญ า, ญญารู้จักใช้ความเฉลียเลือกแฟนในสิ่งที่มันเป็นทุกเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเฟ้นจากโทษห้าอย่างที่พวกเราชาวพุทธศิล์ห้าเป็นห้านีนะ่ทำไมจึงย้ำตรงนี้ตกความสั่งนึกตรงนี้น <c oughs> เพราะการกระทํา ที่มันเิด็จศิลปธรรมมันเกิดขึ้นจากแรงเล็ดของกิเลส ข, ของตัณหาความอยากิทางที่เิดเกี่กับความอยากความต้องการที่เป็นมิจฉายทิจนะิมาปสานกับโลภะความโลภมันมีกอกไม่มีเกิดเลยขอให้ได้มาคนอื่นจะเป็นทุกยังไงตัวเองจะเป็นทุกยังไงไม่ได้สนใจ อยู่แรงเลดแห่งโลภะความโลภไปผสมสกับตัณหานั่นนะถ้าไม่ได้ดันใจอารมณ์โทสะมันเกิดถ้าได้ดันใจโลภไม่มีขวบเกลียดทำในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กำเ น, น่งนึกถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมโมหะความหลงมืดมอนอุปการ พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานใจที่เรานั่งมันรู้อยู่ถ้ามันมีกิเลสตัณหาอย่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ละเว้นจากความชั่วมมติน้าเป็น ข้อนิยข้อเรียกข้อเวนว่าภาษาเราก็คืออาศัยดักสินห้าเป็นระบบควบคุมควบคุมอะไรอย่าให้อารมณ์ความโลภความโกรธความหลงตัณหาไม่จ่ายทีเีเกิดขึ้นเครื่องใช้พวกเราทุกอย่างนั้นแหะที่พวกเรายินดีพอใช้ถือเป็นตบัดใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเหตุผลจากวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ทุกอย่างมันมีระบบควบคุมของมันถ้าเพื่อไม่มีระบบควบคุมมันจะเกิดความเป็นภยัยจากเครื่องใช้นั่นลและและเจนี่ใจของพวกเรากายของพวกเราวาจาของพวกเราถ้าเพื่อพวกเราไม่เอาหลักศีลธรรมเป็นระบบควบคุม ที่เดชโลกโกรดหลงที่มันมีในใจเนี่ยความเป็นสมบัติของพวกเราชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันจะเกิดความเป็นไผยเกิดความเป็นทุกข์เกิดความเป็นโทษจากการกรํากรรมปุนกกจิกิตที่เรียกว่าบาปที่เป็นห่วงตรงนี้นะพุทธเจ้าสงสารกระเพาะใจดวงเีือ มันแก่ไม่เป็นมันสีายไม่เป็นมันตายไม่เป็นที่พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารเมตตาเป็นห่วงนั่นนะใจที่พวกเรานั่งมันรู้อยู่เีอะเนี่ยถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังธรรมะภาคปฏิบัติจะเข้าใจได้ออยากถ้าฟังธรรมะภาคปฏิบัติ มันอย่างหลวงปู่ที่จะเน้นหนักย้ําให้พวกเราเข้าใจรูปเรื่องของใจรูปเรื่องของเัวเองว่าใจดวงนี้มันแก่ไม่เป็นเก่งไหมในความรู้สึกมันมีความเท่าความแก่ไหมไม่มีเลยนอกจากแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นสลายไม่เป็นใจดวงนี้น่ะ นอกจะเข้าไม่เป็นแย่ไว้เป็นตายแต่หลายไม่เป็นใจตรงนี้ตัวเองไม่เป็นฉะนั้นจะมีการฝังจะมีการศึกษาโดยจะพอนักพุทธศ า, ธาสราตร์ศนาศิลธรรมคํ า, อาคสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาฟังตามคําสอนเราจะได้เอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปบำรุงใจ ให้ใจมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อใจมันโตขึ้นมันมีเตติมันมีปัญญารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวถ้ามีเตติมีปัญญารู้ตัวแสดงว่าจิตใจมันโตขึ้นเหมือนรูปร่างกายของพวกเราเนี่ะ โตขึ้นเพราะปัจจัยสี่อาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยพักผ่อนนอนหลับสบายอาศัยปัจจัยสี่เรานะั้นเป็นเครื่องบำรงสรงขานร่างกายแต่ปัจจัยสี่นั้นจะกบำรุงจิตใจนี่นะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อไม่มีหลักสิ่รทำดึงเส้นทางส่วนมากมันจะไปบำรุงกิเลสกันหา ถ้าเผื่อไม่มีหลักศีลธรรมเป็นเส้นทางไม่มีหลักศีลธรรมเป็นระบบกวกผมที่เรีตน า, าไว้ตรงนี้ต่างหากพี่น้องญาติโยมพี่น้องรูปหลานที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจถ้าเพื่อถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจลักษณะนี้เราจะเสริมเสริมเสริมเสริมใจในความสัเ่เนื้อในความรู้สึกเออ ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้ตัวว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกข์ยากกันวันนเกิดมาเป็นคนนี่นะบุญพาพวกเรามาเกิดเราเกลื้อเชงใจโภมใจคำว่าบุญโอ้คำว่าบุญบุ ญ, บญมัไม่ใช่แค่อื่นที่ใไม่ใช่แค่อื่นที่ใครคือนำมนุษย์คนเราให้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์บุญพามาเกิดบุญเกิด ขึ้นมาเป็นมนุษย์บุญคือความสมบูรณ์ใครมีบุญมากใครมีบุญน้อยก็คือความสมบูรณ์ในชีวิตมากน้อยต่างกันนั่นแหะถ้ามีบุญน้อยบาปมากที่เนี่ยหน้าสะบัดสังเวชขนาดไหนเอ๋เกิดขึ้นมาทนทนุ ก, ก ข, ก ข, ข, กข์ทรมานหนักหนาข้าหูหนวกตาบอดแขนกุดขาล้วนก็ไปอีกทรมานขนาดไหน หน้าตัวจำเรฆประดาษไหนเป็นคนอยู่ใครปรารถนาอย่างนั้นแม้ตัวเขาเองก็ไมิปรารถนาพวกเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่ปรารถนาให้ลูกหลานเกิดมาเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเขาเกิดมาได้ย่างไรนี่แรงฤทธิ์ในสิ่ที่เขาเนื้อไม่ถือว่าเกิดจากผลการกระทาของกิเลสโลกโกรธหลงทำนั้นมันเป็นบาป บาคือกว่าเป็นทุกข์นี่เดท่านั้นนะพวกเราเรื่องนี้ผ่านพ้นมาแล้วพบนี้ชาตนี้ความสมบูรณ์ในจิตถึงจะไม่สมบูรณ์เอาจริงๆมีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยสุขภาพร่างกายของพวกเรามีขนาดนี้กันห น, น้าเยินดีหน้านโมทนาเห็นคุณค่าคำว่าบุญพามาเกิด ย่งมาได้ยินได้ฟังตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปพวกเราจะได้ตื่นตนตื่นตัวว่าจิตใจดวงเนี่ยมันแจฉไม่เป็นมันจะลายมันตายไม่เป็นเมื่อตายไม่เป็นพบหน้าชาหน้าต้องนี่เองแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อนีอ่เองแน่นอนสุขสมบัติที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นคือนอกจากมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติ เหนือขึ้นไปกว่าสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติฉะนั้นเส้นทางตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะฟังนัะตัดสินใจถึงจะเป็นเส้นทางที่เดินยากเดินลำบากถ้าพุทธเจ้าสอนให้รู้จักรักษาศีลในพภาคนใช้ความอดความทนเอาน า, นา นั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิในพาเป็ใช้ความอดความทนเอาคาํคำที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเรานํามาใช้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติถึงปฏิบัติธรรมนะถ้าเข้าใจความหมายโอ้มีหน้ามีหน้าคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้เพื่อให้พวกเรานํามาใช้ โดยเฉพาะที่พวกเราควรจะเข้าใจสังขารร่างกายบุญพามาเกิดกุจิญญโญพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เกิดควงมัวมองประมายในรูปร่างกายระวังนาพี่น้องญาโยพี่น้องลูกหลานมนุษย์ท่านหลายการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์บุญพามาเกิดกุจิญญโญสภาพความจริงตรงนันข้ามอันเดิิจาตณเปิด ชาความเกิดมันเป็นทุกข์อยู่นะนี่มองตรงกันข้ามเพื่อไม่เกิดความประมาณนอกจากชาที่ปิด ช, ชาติความเกิดเป็นทุกขกับเจลาที่ปิดทุกข์ ข, ขาการเกิดขึ้นมาอั น, นิจ้จังขวงไม่เที่ยงยนะ ม, ม, ม, มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะความเข้าความแจรความเจลามันมีการเปลี่ยนแปลงนะ ยิ่งขนาดไหนรู้เที่พวกเราเกิดมาจนถึงวันที่เปลี่ยนแปลงมาจี่วันจี่เดือนจี่ปีมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นี้วันนี้ในการเปลี่ยนแปลงนี่นะมันจะปเปลี่ยนแปลงถึงที่สุดกับพวกเรารู้รู้อันนั้นอันนกันเนี่ยไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตัวเองพรากจากกันดังนั้น ท่านอาจาเจ้าจึงเตือนสอนตรงนี้เราเกิดขึ้นมาบุญความมาเกิดพวกเราใช้ความเป็นบุญในชีวิตความเป็นอยู่ในใช้ความเป็นบุญอในสมฆทานเกิดขึ้นมาวัตถุสมบัติเป็นอานาสงฆ์การทำการทำบุญอดีชัดเพราะก่อนชาติก่อนพวกเราก็ใช้ ใช้ให้ใช้เป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายพวกเรานี่ยนะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมวัตถุปตูปัจจุปปัจจัยทายทันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตอย่าใช้ในสิ่งที่นผิดศีลผิดธรรผิ ด, ผดในบทกฎหมายถ้าเผื่อพวกเราดําเนินตามเส้นทางลักษณะนี้อยู่ พวกเราจะภูมิใจไม่ต้องไม่ตกไม่ต้องกังวลในชีวิตความเป็อยู่ว่าพบหน้าจาหน้าจะเป็นงงจะไหนจาไปวมตกจะไปกังวลเพราะการกระทําการเดินทางของพวกเราเนี่ยนะโนิขอบเทตกรรเป็นไปเพื่อสุขสมบัติมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินตจนถึงทิสุดก็คือนิพพานสมบัติพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน ฉะนั้นความเป็นธรรมความเป็นธรรมที่ว่าพระพุทธเจ้าอสอนไว้สรุจใจความความเป็นธรรมคาว่าธรรมธรรมคำนี้คือสิ่งที่ถูกต้องธําคือการกระทํากระทําในสิ่งที่ถูกต้องคําว่าถูกต้องแล้วก็พูดถึงความดีมันก็มีความดีความงาม เหมือนอย่างใจของพวกเราเนี่ยพวกเราทำเรื่องของจิตใจให้โดยการกระทำจากอารมณ์ใจนั่นนะเพราะใจของพวกเรามีอารมณ์เป็นเครื่องแสดงออกอารมณ์ของใจทำให้อยู่ในลักษณะอารมณ์ ของศีลของธรรมอารมณ์ของใจจะให้มันเข้าดูในอารมณ์ของกิเลสนะอารมณ์ของศีลอารมณ์ของธรรมเป็นยังไงศีลคืออารมณ์ดีศีลคืออารมณ์เรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อ ย, ยนะความเรียบร้อยมีที่ใดไม่จะเกิดความงามขึ้นตรงนั้น แค่นั้นความดีความเรียบร้อยความงามเนี่ยมันจะมีปรากฏอยู่ที่ใจเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังนั่งฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมอยู่เดียเ๋ยวนี้อย่านั่งเฉยๆนะนั่งต้องทำใจของพวกเราน้อมใจของพวกเราให้เข้าหาความเป็นศีลความเป็นธรรมเพื่อจะได้เข้าใจในลักษณะของศีลธรรม คือน้อมใจของพวกเราเข้าหาความเปินเสียียคือกายเรียบร้อยและผนั่งเรียบร้อยศีลคืออารมณ์เรียบร้อยน้อมใจของพวกเราเข้าสู่อารมณ์เรียอารมณ์เรียบร้อยความสดชื่นเรื่นเริงยิ้มแย้มแมจ่มใสเย็อเในอกเย็นใจสิ่งเหล่านี้จะปรากฏภายในจิตใจภายใต้ความสำเนกส่วนเลือกของหัวใจของพวกเรา น, นัหนามันจะมีแต่ลักษณะ อารมณ์ของความเป็นบุญมันมีตจะมีแต่ลักษณะของความเป็นบุญพี่น้องญาติโยมย้ำเรื่องของจิตใจตรงนี้เข้ะใจของพวกเราเนี่ย <c oughs> เป็นที่รวบรวมเป็นที่เจ็บผลการกระทาการกระทาในลักษณะของทานศีลภาวนา ฟังพระธรรมมาเทศนาเกิดจากความเนืกความคิดทำแล้วฟังแล้วมันจะไปรวมอยู่ดีใจใจจะกลายเป็นตู้เร็ต จ, จิตผลการกระทาไปทำฝ่ายชั่วเหมือนกันทำในสิ่งที่มันเิด็จศีลผิดธรรมที่มันเป็นบาปนั่นะทำแล้วผลส่วนนั้นอ่ะมันจะไปรวมไว้ที่ใจอีก แล้วแต่นั้นสิ่งที่เก็บรวมไว้ที่ใจเนี่ยควรไหมดิเนี่ยที่พวกเราจะเป็นเก็บไปเอาผลการกระทําในทางที่มันผิดเป็นบาสิ่งที่มันเป็นบาเป็นภพมาไว้ที่ใจทะนนั้นพระพุทธเจ้าจึงจึงสอนให้ใช้ความฉลาดเมื่อรู้จักเลือกเฟนผลการกระทําล้ว พวกเราจะภูมิใจภูมิใจภูมิใจว่าการกระทําในทางที่ดีเชื่อมันว่าจิตใจดวงนี้เราเชื่อมันตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายไม่เป็นแจกไม่เป็นตายสลายไม่เป็นใจดวงนี้ถึงแต่ยังอยู่ในภพในภูมิขอให้อยู่ในภพในภูมิของความเป็นสมบัติมนุษยส ม, สมบัติสวรรคสมบัติหรือพระเอ็พระพร ถวาตนาบันมีความดีเลิศ เ, เข้าสู่นิพพานสมบัติตรงนั้นจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนครั้งพุทธการสาวกสาวิกาสาวกก็หมายถึงว่าผู้ชายสาวิกาก็หมายผู้หญิงทังนั้นสาวกสาวิกาผู้ชายผู้หญิงปัจป จ, ปจุบันนี้ก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์ ยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยเมื่อพวกเราไม่สงสัยลักษณะนี้่ะทำความดีที่เกิดขวบไปบปุญจากการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นแนวทางหนึ่งานใหม่พวกเราได้ทำบุญทาง้งทานตามการตามเวลา ศีลไม้พวกเรางดเว้นจากความชั่วต า, ามอันตามเวลาภาวนาไมยพวกเราตั้งใจอยู่กับความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ความเป็นบุญไม่มีความหวั่นไหวต่อความเชื่อมัน่นเส้นทางที่ประโยชน์สูงสุดพระพุทธเจ้าสอนธรรมเทศทานาไม้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อเสริมความรู้เสริมความฉลาด พวกเราตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติฉะนั้นเเมื่อพวกเรามีความเชื่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเนี้ยความไม่ตกความกังวลไม่ต้องคิดไม่ต้องเป็นหวน่วงไม่ต้องไม่ตกไม่ต้องกังวลว่าพบหน้าชาติหน้าเราจะดูยังไงเราจะไปยังไงหายสงสัยเอะ ต, ต, ตรงนี้ขนทานศีลภาวนาเนี่ยจะคุ้มครองปกป้อง ดวงจิตดวงใจของพวกเราให้พ้นจากอบายภยูมิอะไรอบายภูมิหนึ่งเดระฉาโนอาณสงผลศีลผลทานเนี่ยจะรักษาจิตใจปกป้องจิตใจห้ามจิตใจป้องกันจิตใจไม่ให้ เ, เกิดเป็นตัดติวิจารกันได้แน่น อ, ไอ น, ไ ม, อนมไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องเปงนไลเอกันหนึ่ง เปโตผลทานศีลภาวนาเนี่ยป้องกันไม่ให้จิตใจในี่ไปเป็นเปรตอสุรกายโยป้องกันไม่ให้เป็นจิตใจพวกเราไปเป็นอสุรกายเนแะยะโกป้องกันจิตใจพวกเราไม่ให้ตกเป็นสัตว์นรกพี่น้องญาโยพี่น้องลูกหลานอันนี้ตัาหากนะพวกเราเชื่อไมาใช่หรือเป่า สัตวเดรัจฉานมันมีจริงเปรตอสุรกายสัตว์นรกส่วนเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกเราอาจจะสงสัยส่วนสัตว์เดรัจฉานพวกเราไม่สงสัยแล้วเพราะเห็นเป็นตัวเป็นตนตอยู่กับมนุษย์คนหนึ่งส่วนเปรตอสุลกายสัตว์นรกนั้นอนะ่ะให้ดูที่ใจถิงจะหายสงสั ค้าใจมีเรื่องใจมีปัญหาทุกข์เหมือนเปรตทุกข์เหมือนปีโทุกเหมือนสัตว์นรกชีวิตไม่มีคุณค่าชีวิตไม่มีความหมายพวกเราเคยได้เห็นเคยได้ยินได้ฟังคนอื่นก็พูดอยู่มาใช่หรือที่เขามีความทุกข์ลักษนะ น, นั้นน่ะผลการกระทำจากอะไรเพศสิทนั้นนั่นเองไม่ข้อใดก็ข้อนึงยิ่งไป ผิดซ้ำๆๆๆๆดุลแรงแล้วายขนาดไหนพี่น้องญาติโยมพี่น้องของเราสิ่งข้อที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าน่าสรกดจันเมฆขนาดไหนนั่งหมายว่าใจของมนุษย์คนเ่าเนี่ยที่มันแก่ไม่เป็นมัน่ายไม่เป็นเห็นในชัดที่พวกเรามาเรียนรู้ตรงนี้ในขณะที่พวกเรานอนฝัน ในขณะที่พวกเรานอนฝันนั่ะเป็นรูปร่างของเราจริงๆนะที่ปรากฏในกระดาษที่ฝันอยู่นั่นน่ะจะมีหมู่มีเพื่อนทำงานทำงานที่ไปที่ไหนมาที่ไหนก็รูปร่างของเราจริงๆนั่นน่ะแต่รูปร่างตัวตนจริงๆน่นนะมันนอนอยู่ที่นอนแต่ความขณะความรู้สึกในขณะที่ฝันนันน่ะมันไม่ได้อยู่ที่นอน ตรงนี้ตัางหากที่ว่าไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรคเป็นเป็นสูตรอสุรกา ย, ะย่ะไปดูที่อื่นนะดูที่ใจจะนั้นเรื่องของจิตใจนะที่ว่าเป็นไปในทางที่ดีทางที่ถูกเป็นประโยชน์สุขทื่ว่าหลวงปู่ องค์กรที่จะนำทำภาคปฏิบัติมาแสดงเนี่ยพุทธังธรรมัสงสามกลางสรณะกระฉามีขอให้เจตใจขอพรน้อมพะพุทธคุณธรรมคุณสามคุ ณ, ค ณ, คณเป็นสรณนาที่ต้นถ้าพวกเราน้อมอย่างดีว่านี่นะน้อมเรื่องศีลเรื่องธรรมพระธรรมคือเรื่องศีลธรรมเป็นสาระนาที่พึ่สังกัดคือการปฏิบัติตัวอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม ไม่ตอตกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเมือ่อไม่กังวลไม่ต้องเป็นห่วงกิตใจก็ปกติสุขสดสส ช, ชื่นเรื่อนเริงยินเย็นเฉียบใสเย็นกเอ็นชัภายใต้ความสํำนึกส่วนลึกความหัวใจชุ่มชื่นเบิกบานยินเย็นเฉียบใสอันนี้ตัางหาพี่ น, อน้องญาติยมเอามองดูเวลาเห็นว่พอสงควรเจริญดาแล้วจะทายทีสุดอัตมาของอันเชิญเอาคุณปฏิรัตน์ใจเกิดพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆารัตน จงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโ ย, ยมโูคหลดับแค้นจากทุกสมโรคภัยเปราศานาสิ่งใดสิ่งนั้นปม่เหลือิสัสขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมควมปราศนาโดยท่วหน้าัาทุกท่านทุกคนเอ